คำถามเวลาเรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเราจะใช้ธรรมะข้อไหนมายึดเหนี่ยวจิตใจถึงจะมีกำลังสู้ต่อไปได้หลวงพ่อตอบเราก็ต้องทบทวนความเป็นอยู่ของเราทบทวนตั้งแต่อดีตที่เข้ามาผ่านมาในชีวิตของเราดูเสียก่อนว่าที่ผ่านผ่านมาอะไรมันผิดพลาดบ้างอะไรมันผิดพลาดตรงไหน เราจะได้นำมาแก้ไขในชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่จะคิดไปข้างหน้าก่อนเราต้องมองย้อนเข้าไปข้างหลังหาความผิดพลาดของเราหาข้อดีข้อเสียของเราว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันดีตรงไหนแล้วก็เอามาแก้ไขในปัจจุบันเป็นหลักถ้าแก้ไขยังไม่ได้เราก็พยายามดิ่งเสียก่อนดูรู้ หาเหตุหาผลอยู่ปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเราค่อยเอาเรื่องอดีตมาทบทวนแล้วก็เอาไปแก้ไขในอนาคตในการดำเนินชีวิตคำถามหาวิธีกระตุ้นให้ตนเองมีการกระทำในสิ่งที่คิดให้ตลอดรอดฟังผมคิดว่าผมเป็นคนที่มีไอเดียมากคิด อ, อะไรดีๆออกมาเป็นประจำแบบว่า ใช้สติคิดแล้วว่ามันดีควรจะทำหรือบางทีก็ต้องทำด้วยซ้ำไปและคิดแล้วว่าต้องทำอย่างไรทำแล้วได้ผลอย่างไรคิดอย่างรอบครอบที่สุดแต่ผมได้แต่คิดหรือถ้าลงมือทำก็ทำไม่ตลอดลอดฟังเหมือนกับว่าไม่มีความพยายามเลยทั้งที่มั่นใจว่ามันดีอย่างไรอย่างเช่นการอ่านหนังสือจะอ่านเฉพาะเรื่องที่ชอบอย่างมีสมาธิจนจบ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบต่อให้เห็นประโยชน์แต่ก็ไม่สามารถอ่านได้ทั้งที่ใจหนึ่งอยากอ่านมากแต่อีกใจหนึ่งเบือ่อขี้เกียจไม่มีความพยายามมีวิธีแก้ไหมครับหลวงพ่อตอบก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรให้ตัวเองละความเกียจคร้านการอ่านการศึกษานั้นมันเป็นแค่เพียงปัญญาโลกี เป็นแค่หนทางเป็นแค่แนวทางถ้าเราจะอ่านศึกษาให้รู้ความเป็นจริงภายในเราจริ ง, ร ง, รงก็กายของเรานี้แหละเป็นตำลาเร่มใหญ่เป็นตำราผืนใหญ่เรายกกายของเราขึ้นมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเหาะลึกลงไปอะไรคือส่วนรูปธรรมอะไรคือส่วนนามธรรมส่วนรูปธรรมก็คือร่างกายส่วนนามธรรมลึกลงไปอีก จิตกับความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนำมาทมเ้าไปหลงกันได้อย่างไรนี่แหละคนเราขาดการแยกแยะตรงนี้ก็เลยรู้อยู่แต่ส่วนรูปส่วนจิตกับขันห้าเขายังเกิดอยู่จิตยังหลงในความคิดตรงนั้นอยู่เราต้องพยายามแยกจิตออกจากขันห้าตรงนั้นให้ได้เสียก่อนเราถึงจะเห็นแนวทางเดินของชีวิตได้อย่างแจ่มชัด ก็ต้องพยายามกันคำถามการคโคลนนิ่งมนุษย์จะขาดกับหลักธรรมหรือไม่ทางธรรมจะอธิบายอย่างไรหลวงพ่อตอบคโคลนนิ่งไม่ต้องไปหาธรรมมาให้ยากหรอกเราพยายามคโคลนใจของเราให้ถึงนิพพานก็จะถึงตัวเดียวกันหมดนั่นแหละทำใจให้เข้าสู่นิพพานได้ถึงความว่างได้ มันก็อันเดียวกันหมดนั่นแหละไปให้มันถึงตรงนั้นไม่ต้องไปหาโกรนิ่งหรอกคำถามโน๊ตบุ๊กหายตอนนี้รู้สึกเสียดายมากเหมือนของรักของห่วงเสียดายทั้งตัวทรัพย์สินและข้อมูลในเครื่องมีความผูกพันเวลาใช้คอมพิวเตอร์นานๆจะใช้หลักธรรมข้อใดข่มครับไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่า หลวงพ่อตอบก็ทำใจและหาใหม่ของนอกกายหรือบอกขโมยว่าถ้าเขามีความเมตตาก็ส่งกลับคืนด้วยคำถา ม, ถามเมตตาไม่มีขอบเขตหรืออัปปมัญญาในพรมวิหารมีลักษณะอย่างไรหลวงพ่อตอบเมตตาไม่มีขอบเขตอันนี้ ต้องสำหรับบุคคลที่เจริญวิปัสนาแยกรูปแยกนามไม่เอาจิตเข้าไปร่วมเข้าไปหลงเข้าไปยึดคือเมตตาอย่างหาประมาณมิได้ไม่เลือกชั้นวันนะเลือกข้อวัดเลือกปฏิบัติในสิ่งต่างๆเมตตาที่จิตเกิดจากจิตที่สะอาดที่บริสุทธ์โดยตรงถึงจะเรียกว่าเมตตาที่ไม่มีประมาณหมายถึง เมตตาที่ไม่ได้เกิดจากส่งจิตออกไปข้างนอกเป็นเมตตาที่เกิดจากการเจริญวิปัสนาชำระสางกิเลสได้หมดจดจบสิ้นแล้วคาถามความเหงาเป็นโมหะหรืออะไรมีวิธีจัดการอย่างไรหลวงพ่อตอบความเหงาไม่ใช่โมหะโมหะคือความหลงความหลง หลงในรูปหลงในนามหลงในความคิดหลงในอารมณ์ความเหงานี้เกิดจากจิตของเราขาดที่พึ่งหรือว่าวาเววังเวงหาที่พึ่งที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนไม่ได้จิตของเราอาจจะเหงากายหดหงิดหรือว่าจิตหดหงิดนี้แหละเราต้องหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหัดพิจารณาให้ละเอียดว่าเป็นที่กายหรือเป็นที่จิต คำถามธรรมะชั้นสูงคืออะไรการปฏิบัติมีลักษณะอย่างไรหลวงพ่อตอบธรรมะชั้นสูงมันไม่มีอะไรหลอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นคําว่าธรรมะชั้นสูงนั้นการฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลากิเลสถึงจะขัดเกลากิเลสมากมายถึงขนาดไหนจุดหมายปลายทางคือการปล่อยการวาง เข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความบริสุทธิ์แม้แต่จิตเราก็ต้องวางนั่นแหละรู้ธรรมแล้วก็วางธรรมปฏิบัติเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางในที่สุดถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้คำถามทุกคืออะไรสุขคืออะไรนึกถึงคำพระที่ว่าสุขไม่มี มีแต่ทุกมากหรือทุกน้อยอดเก็บมาคิดไม่ได้ว่าถูกหรือเปล่าคิดไปคิดมาก็บอกกับตัวเองว่าทุกคืออาการของจิตที่ดิ้นรนกระ บ, นบราวนระวไยไม่นิ่งไม่สงบสุขคืออาการของจิตที่สงบระ ง, งับและเป็นกลางถูกผิดยังไงช่วยบอกด้วยหลวงพ่อตอบถูกหมดนั่นแหละ แต่มันยังไม่ถูกเต็มที่เราต้องพยายามดูความเกิดความดับความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของจิตความไม่เที่ยงของรูปความไม่เที่ยงของนามธรรมที่มันเกิดเกิดดับๆถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้ดับความเกิดได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้เราก็จะเดินเข้าไปถึงเข้าไปเจอความสุขที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือการปล่อยการวาง ทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราก็จะเข้าใจในเรื่องสภาวธรรมในเรื่องการเกิดการดับในเรื่องความไม่เที่ยงก็จะเข้าใจในเรื่องทุก์เรื่องสุขมากขึ้นต้องพยายามกันต่อไปคำถามบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรเคยได้ยินว่าทำอย่างนี้ได้บุญทำอย่างนี้ได้กุศล แล้วบุญกับกุศลต่างกันไหมหลวงพ่อตอบบุญกับกุศลมันก็ต่างกันอยู่คำว่ากุศลคือการสร้างการทำให้มีให้เกิดบุญก็คือผลของกุศลผลของการสร้างการทำให้มีให้เกิดนั้นๆสมมุติว่าเราสร้างกุศลอะไรสักอย่างเมื่อเราสร้างเสร็จลงไปแล้ว จิตใจของเรามีความอิ่มปิตินั้นคือผลของการสร้างนั่นแหละคือบุญหรือผลของกุศลจะทำให้จิตของเราเกิดความอิ่มความเต็มหรือเกิดความสุขกุศลคือการสร้างบุญคือผลของกุศลที่เราสร้างนั่นแหละให้เราพยายามทำความเข้าใจให้แจ่มชัดเราก็จะเห็นเป็นคนละส่วน แต่ก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่คำถา ม, ถามสาธุมีความหมายว่าอย่างไรหลวงพ่อตอบสาธุคือการอนุโมทนาในคุณงามความดีเห็นคนอื่นได้ดีเราก็อนุโมทนาสาธุดีใจด้วยภูมิใจด้วยแม้แต่ตัวเราเราก็สาธุให้กับตัวเรา การที่เราสร้างคุณงามความดีเราก็มีความสงบความสุขเราก็สาธุให้กับตัวเราได้ตลอดเวลาเราสาธุให้ตัวเองได้แล้วหรือยังละ่ะคาถามสมมุติและวิมุติคืออะไรต่างกันอย่างไรหลวงพ่อตอบโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันสมมุติกับวิมุตก็อยู่ด้วยกัน จิตกับกายก็อยู่ด้วยกันแต่เรายังแยกไม่ได้เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจในเรื่องสมมุติเข้าใจในเรื่องวิมุตติเข้าใจในเรื่องอัตตาเข้าใจในเรื่องอนัตตาแต่เวลานี้เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้เราเลยไม่เข้าใจตรงนี้เราก็เลยไปเหมารวมกันอยู่ ให้พยายามหมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์จนกระทั่งจิตของเราคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นและแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจคำว่าวิมุตต์กับสมมุติทันทีความสงสัยตรงนี้ก็จะคลายหายไปหมดความสงสัยได้ทันทีคำถามกลับเตียนถามว่า มักแปดหมายถึงอะไรคะโปรดอธิบายด้วยคะ่ะหลวงพ่อตอบคือความเห็นถูกความเห็นที่ถูกต้องเราต้องแยกรูปแยกนามมีสัมมาทิฏฐิข้อแรกให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วถึงจะเดินทางถูกต้องได้ตลอดถ้าเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้สัมมาทิฏฐิก็จะไม่เปิดทางให้เราถ้าเรายังแยกไม่ได้ ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ให้แยกรูปแยกนามได้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยตามทำความเข้าใจได้ด้วยก็จะเป็นองค์มรรคตลอดถึงทั้งแปดคำถา ม, ถามขอคำแนะนำในการสวดมนต์มีอาชีพต้องกระทบกับอารมณ์คนมีบทสวดมนต์ที่ช่วยทำให้อารมณ์ดีไหมคะ หลวงพ่อตอบไม่จำเป็นต้องใช้บทสวดอะไรถ้าฝึกฝนจิตของเราให้ดีอยู่กับสิ่งดีๆให้อยู่ในกองกุศลพยายามละอกุศลจเจริญเฉพาะกุศลมองโลกในทางที่ดีคิดดีสิ่งไหนที่ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือว่าทำให้จิตของเรามีความฟุ้งซ่านเราก็รู้จักดับแค่ทำให้จิตของเราอารมณ์ดี เลริญ ม, มิหารให้มากๆเท่านั้นแหละไม่จำเป็นต้องไปหาบทสวดมาช่วยทำให้จิตของเราดีได้ก็จะเป็นเองนั่นแหละคำถามทำแท้งถือว่าทำบาบหรือเปล่าหลวงพ่อตอบถ้าจิตของเรามันเป็นอกุศลหรือว่าจิตของเรามีความทุกข์ความเศร้าหมองเราเป็นบาปตั้งแต่ยังไม่ได้ทำนั่นแหละ คำถามฝันและสมาธิก่อนที่จะไม่มีสมาธิตอนเริ่มหัวถึงหมอนใหม่ๆได้ยินเสียงหมาเห่าข้างบ้านในระยะไกลเหมือนกันได้ยินดังๆแต่ก็เฉยๆแต่พอสักพักเริ่มดูจิตทำสมาธิสักพักหมาเห่าอีกแต่ทีนี้ได้ยินเสียงชัดกว่าเดิมทำให้ตกใจสะตุง้งหลุดเลยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ ทำยังไงถึงจะให้อาการตกใจนั้นหายไปทำให้ไม่กล้าทำสมาธิเลยหลวงพ่อตอบอันนี้แหละวิบากกรรมตรงนี้มันมาฉุดมารั้งไว้ทำให้ตกใจทำให้เราห่างไกลจากการฝึกสมาธิพยายามฝึกต่อไปให้มันผ่านตรงนี้ไปให้ได้การที่เราได้ยินเสียงอะไรชัดเจนเพราะว่าจิตของเราสงบนิ่ง สติของเราอยู่กับตัวจิตของเราอยู่กับตัวอะไรก็รับรู้ได้เร็วได้ไวขึ้นเพราะว่าจิตของเราเป็นธาตุรู้ขณะที่จิตของเราไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกจิตของเราไม่ได้มีความกังวลความฟุ้งซ่านจิตของเรานิ่งอยู่ในกายของเรามีสติคอยดูรู้อยู่จิตจะรับรู้ได้เร็วได้ไวอย่าไปกังวล จิตของเราไม่มีกำลังได้ยินเสียงอะไรก็ทำให้เกิดความกลัวเกิดความกังวลทำให้ตกใจเราพยายามฝืนตรงนี้พยายามดับควบคุมตรงนี้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้ถ้าจิตของเรามีความกล้าหาญอาจหารเราก็จะไม่ได้เป็นกังวลอีกต่อไปแล้วเราก็จะไม่ตกใจอีกต่อไปเราพยายามทําให้ถึงจุดหมายปลายทาง พยายามฝืนอีกสักพักระยะหนึ่งเพียงแค่สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังให้สนใจรักษาจิตควบคุมจิตของเราให้ได้ต่อเนื่องนะคำถามทำไมความฝันทำให้เรามีความรู้สึกจริงๆเหมือนฝันเป็นเรื่องจริงอย่างเช่นที่คนหนึ่งเล่าว่าเขาฝันว่าเจอเพื่อน แล้วก็หัวเราะกันพอสะดุ้งตื่นเขายังหัวเราะอยู่เคยเป็นหลายครั้งตอนนั้นฝันว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทไปมีเรื่องกับชาวบ้านโดนจับเข้าคุกพ่อบอกว่าให้เข้าคุ๊ไปเลยในฝันร้องไห้พอร้องไห้ในฝันปุ๊บสักพักแค่สามสี่วินาทีก็ตื่นรู้เลยว่าจิตตอนนั้นเหมือนเสียใจแล้วร้องไห้มีน้าตาเอ่อตา ตื่นมาพร้อมกับความเสียใจสักพักนึกขึ้นมาได้อ้าวฝันไปไมมันต้องมาต่อเนื้อข้างนอกร้องไห้ออกมาข้างนอกฝันหลวงพ่อตอบอันนี้จิตกับกายก็ยังอาศัยกันอยู่ขณะที่เราหลับสติของเราขาดจิตของเราอาจจะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวได้เจอเหตุรายๆก็ทำให้จิตของเราทุกข์ เกิดความเศร้าหมองก็จิตยังอาศัยกายอยู่ก็ส่งผลถึงกายด้วยทําให้กายของเราเกิดความทุกข์ไปด้วยทำให้กายของเราเกิดอาการลักษณะนี้ขึ้นมาทั้งที่เราไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดเพราะว่าจิตกับกายเขายังอาศัยกันอยู่ขณะที่จิตของเราปรุงแต่งส่งออกไปนั้นเราไม่มีสติรู้พอเราตื่นขึ้นมา สติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันรู้เท่าทันจิตก็อยู่ในกายกายของเราเกี่ยวเนื่องกับจิตก็เลยเกิดอาการตรงนี้ขึ้นมานั่นแหละให้เราหมั่นสํารวจทำความเข้าใจตรงนี้เราก็จะเข้าใจคำถา ม, ถ, ามถูกสอบในฝันเมื่อไม่นานมานี้ฝันไปว่า เห็นคนนอนอยู่ข้างถนนช่วงพลบค่ำบรรยากาศน่ากลัวมากไม่เห็นตัวเห็นแต่ขาพาดถนนรูกรางอยู่ใจคิดว่าเป็นศพแน่ๆเผิดอาการกลัวจะเข้าไปดูเผื่อจะช่วยได้แต่อีกใจก็ไม่กล้าแล้วก็เดินต่อไปยังไงมายังไงไม่รู้กลับเห็นคนที่คิดว่าเป็นศพมานั่งหัวเราะอยู่แถมเป็นเพื่อนเราเสียอีกผมหัวเราะจนตื่น สงสัยโดนมาทดสอบเข้าแล้วก่อนหน้านี้เคยสงสัยคําครูบาอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์มีสติแม้กระทั่งหลับหรือว่านี่คือคำตอบว่านี่แหละคือสติขณะหลับหลวงพ่อตอบเราก็ต้องคลายความสงสัยออกไปก่อนสิเราถึงจะรู้เราจะลุนสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ว่า สาเหตุของความฝันเกิดจากจิตของเราปรุงแต่งหรือขันห้าปรุงแต่งหรือว่าพบปุ่มิญีญาณเข้ามาปรุงแต่งให้เรารู้เราเห็นเราต้องหาสาเหตุตรงนั้นเราจะไปวิเคราะห์ไปมั่นหมายเอาเลยว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เราต้องพยายามศึกษาเรื่องนิมิตมันหลอกเราอยู่ปัจจุบันไม่ได้ก็ไปหลอกเราในนิมิต เรื่องในนิมิตนั้นถ้ากำลังสติของเรามีไม่เพียงพอก็ยากที่จะเข้าใจถ้ากำลังสติของเรามีเพียงพอแล้วเราก็จะตามดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงหรือว่าจิตของเราปรุงแต่งหรือว่าขันห้าปรุงแต่งหรือว่าภพภูมิวิญญาณต่างๆเขามาปรุงแต่งนั่นแหละ เราก็จะกระจายในคำตอบของเราได้ดีที่สุดตราบใดที่เรายังปล่อยวางไม่ได้หรือว่าทําจิตของเราให้สงบนิ่งไม่ได้เราต้องพยายามตัดทิ้งออกไปให้หมดมันหลอกเราอยู่ปัจจุบันไม่ได้ก็เป็นหลอกในนิมิตวิญญาณต่างๆนั้นมีผีไม่มีหลอกมีแต่วิญญาณแม้แต่กายของเรานี้ก็มีวิญญาณเข้ามาครอบครอง วิญญาณภายนอกวิญญาณภายในวิญญาณที่มีกายเนื้อกับวิญญาณที่ไม่มีกายเนื้อแต่คนเรานึกไปเหมาว่าเป็นผีหมดไม่ใช่พบภูมิต่างๆวิญญาณต่างๆมีเราต้องพยายามทำความเข้าใจให้ละเอียดถึงจะเข้าใจในการดาเนินชีวิตของเราได้ต้องพยายามต่อไปคำถาม มีเจ้านายไม่ดีจะเตือนสติเจ้านายอย่างไรคะหลวงพ่อตอบเตือนสติตัวเองก่อนก่อนที่จะคิดอคติกับคนอื่นถ้าเราทำตรงนั้นไม่ได้เราก็พิจารณาว่าเราอยู่ในระดับไหนเป็นนายหรือเป็นบ่าวบ่าวจะไปเตือนนายนี้ก็หาโอกาสหาช่องทางที่ดูเหมาะสมเสียก่อนค่อยช่วยค่อยพิจารณา ค่อยแก้ไขเราก็ต้องดูการดูเวลาด้วยดูจังหวะด้วยถ้าเราไปพูดตรงๆดีไม่ดีเราตกงานเลยนะคาถามการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือแค่เพียงดอกดวงหลายวันนี้ได้เข้าฟังสัมมนามีหลายๆเรื่องหลายๆประเด็น พูดถึงเรื่องการมุ่งหวังถึงความยั่งยืนในเรื่องต่างๆกันจนเฟือพอฟังมากๆเข้าพิจารณากับหลักธรรมะที่สรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็เลยสับสนว่าจะพูดถึงความยั่งยืนไปใหญ่หรือความยั่งยืนในด้านสมมุติทางโลกจะเป็นเพียงแค่อยู่และใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้นานเท่านาน ที่เทคโนโลยีจะสามารถตักตัวมาจากธรรมชาติได้หลวงพ่อตอบเออเอาอยู่แค่ปัจจุบันทำสมมติของเราให้ดีให้กายของเราอยู่ดีมีความสุขครอบครัวของเราอยู่ดีมีความสุขภาระหน้าที่การงานของเราให้อยู่ดีไม่ให้ขาดตกบกครองทำอยู่ปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็จะออกมาดีถ้ารากฐานตรงนี้ดีแล้วอนาคตก็จะยั่งยืนเองทุกคนมีแต่พูดแต่การกระทำไม่ถึงพร้อมมันจะไปยั่งยืนได้อย่างไรต้องรู้จักช่วยตัวเองให้ดีเสียก่อนทำต้นเหตุให้ดีเสียก่อนไม่ใช่แต่เอาผักชีโรยหน้ากันมันจะไปยั่งยืนได้อย่างไร